ทัาน่อนที่เคารพค่ะเรามาพบกับช่วงเวลาของการที่จะได้ฟังพุทธวจนะที่ท่านอาจารย์พิบูลนํำออากมาประกอบกับ ก, บการตอบคําถามที่ทีฉันได้กราบเรียนถามท่านกันนะคะช่วงนี้เรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะกราบน้ัพสการนะคะท่านพิบูลคะจุฬาภรณ์ค่ะท่านฟังคะท่านพิบูลนั้นอยู่ที่วัดป่าดอนไหายโศกจังหวัดอุดรนธานีค่ะอืมท่านคะตอนนี้ เว็บไซต์ของท่านมีมีคนเข้าไปชมท่านนับครั้งไหยคะอาตมาก็ดูดูคร่าวๆเฉยๆ จ, กจกะจก็จริงๆ ก, ก, ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็มีบ้างมีบ้างอยู่นะคะมีอยู่หลายร้อยเลยเหมือนกันในวันหนึ่งมีบ้างค่ะไม่ได้สนใจว่าผู้เข้าถึงจะเข้ามาเท่าไหร่คือแพบบ่คืออาตมามีกําลังใจจากการที่ได้ศึกษาคําสอนพระพุทธ้าและคือหมายความว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออฟีดแบ็ของท่านผู้ฟังเนี่ยก็ทำให้มีกําลังใจอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะ ทีนี้ว่าอย่างถ้าเรามีคําสอนที่ถูกต้องอันนี้เป็นเป็นเป็นกําลังใจอันดับหนึ่งของตัวเราเองเลยนะถ้าเผื่เรามีข้อมูลถูกต้องเราศึกษาเราเห็นประเด็นนี้ต่างๆมันมีกําลังใจให้เอามาแต่ต้องขอให้มีสักคนหนึ่งฟังและคุณสันสนิยังฟังแตมาพูดอย่างแตมาเขพูดได้สาธุค่ะ <c oughs> ท่านอาจารย์คะดิฉันเริ่มต้นรายการนี้ <c oughs> ก็ด้วยความคิดแบบท่านเนี่แหละนะคะคือหลังจากที่ ทางคุณวิบูลนะนะคะ mm hmm. ของสถานีวิทยุครอบครัวข่าว mm hmm. ก็ได้คุยกันเรื่องจัดรายการสุดท้ายก็มาลงที่ว่าถามว่าอยากทำอะไรมากที่สุดดิฉันก็บอกว่าถ้าเป็นธรรมะนะไม่เกี่ยงเวลาเลย mm hmm. แล้วก็ไม่เกี่ยงผู้ฟังด้วย mm hmm. อันนี้ตีห้านะคะดิฉันเคยจัดรายการตอนตีสี่มาแล้ว oh. ขณะที่จัดก็มีคนที่ทำงานนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าจัดให้ใครฟังจัดทำไมเหนื่อยเป่าเล่ามั้งแต่ดิฉันคิดว่าจัดให้คนหนึ่งคนฟัง mm hmm. ก็ยังดีหรือว่าจัดลอยๆไปวันหนึ่งใครเกิดแวะเวียนได้ยินมาแล้วหยุดฟังแล้วเขาได้ประโยชน์ก็คิดว่าน่าจะเป็นบุญขอ ง, <ช>ของทั้งเราทั้งเขาใช่ใช่แล้วก็คือถึงแม้ดูอย่างพระพุชาของเราอ่ะคุณโยมติวคิดดูจะเทศจะไปไปหลังจากที่ตรัสรู้รมแล้วเนี่ยนะจะหาคนเทศให้ฟังเนี่ยจะหาคนหนึ่งก็ไม่มีนะคือจะนึกถึงอรันบุรรมโคตรก็ตายไปแล้วนึกถึงอุททกะรรมรบุรก็ตายไปแล้ว สุดท้ายหาได้แค่ห้าคนห้าคนยังเท่ใด้ฟังเลยคีดดูแล้วถามว่าเราจัดรายการวิวเนี่ยโอ้ถึงคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นล้านน่ะก็ยังมีคนฟังอ่ะมันโอ้โหดีมากๆแล้วสมัยนี้นะที่สําคัญดิฉันเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าเมื่อผู้ที่ได้เข้าถึงธรรมะแบบเข้าใจแล้วเห็นคุณค่าแล้วท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องมีสถานีวิทยุนะคะก็จะขนขวายในการที่จะถ่ายทอดให้กับคนที่อยู่ใกล้ใกได้มีการรู้ ว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นอย่างไรใช่อันนี้เป็นเรื่องที่มาถึงตอนนี้ก็ต้องกลาบเรียนถามท่านแล้วละค่ะเพราะว่าก็เกิดไปเปิดไปลาว่ามีเว็บไซต์ท่านช่วยรุนาบอกด้วยนะคะว่าจะเข้าเว็บไซต์ของท่านได้ที่ไหนคะอ๋อก็ท p u เ h ียวธร o มะดอทคอม m ันพออ่า e อ, อันนี้ก็อันหนึ่งนะที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะอะไรต่างๆแถ้าเป็นการลีกเนปฏิปธรรม แล้วเรื่องที่เกี่ยวกับวัดป่าดอไหโอเนี่ยก็จะไปที่หลวงพ่อด็อกเตอร์ดอตคอมนะลูเอ็นจีพีโอดอตคอมค่ะแล้วก็ที่เพียวธรรมะดอตคอมท่านสามารถที่จะฝากคำถามของท่านทั้งหลายเอาไว้เพื่อที่ท่านพิบุญจะนำมาตอบในรายการนี้ด้วยใช่แล้วก็ ที่พูดถึงว่าคนจะเข้ามากเข้าน้อยเนี่ยเราก็ดูดูไปเป็นข้อมูลเฉยๆแต่กำลังใจต่างๆก็มาจากที่กลับสองพระเจ้าอันนี้ก็มม่ได้หมายความว่าท่านผู้ฟังจะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้คือถ้าใส่เนี่ยมันก็จะเป็นให้เราทราบว่าเออทิศทางเนื้อหาอะไรต่างๆมันจะควรจะไปทางไหนที่จะออตอบโจทย์ท่านผู้ฟังนะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วมีคนถามกลับมาเนี่ย เป็นคำถามใดเด่นๆไหมคะที่ชอบถามกันจังเลยคำถามแบบนี้รายการจริงๆของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคุณโยมติวตั้งแต่จัดแรกๆใหม่ๆเลยน ะ, ะช่วง 2-3 งาปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นลนักษณะว่าเป็นคำถามแบบทั่วๆไปพื้นๆใช่ไหยเรื่องของศีลบ้างวินัยบ้างไอ้ข่ายุง่งไม่ได้เจตะนาะบาปไหมอะไรพวกนี้มีทั้งนั้นบิน บ, บาอะไรตันี้ก็อพอมาไปจะไปเรื่อยๆมันก็ คําถามพวกนี้ก็ลดลงไปแล้ลงไป ล, ไปละอะแสดงว่าก็คิดว่าท่านผู้ฟังเราก็แบบมีข้อมูลมากขึ้นเหมือนกันเนาะ <c oughs> ค่ะก็อาจจะเป็นผู้ฟังที่พัฒนาไปตามใชข้อมูลของท่านอืมเราก็ในเรื่องของเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีข้อมูลอื่นอีกเหมือนกันอเช่นอาจจะเป็นบทความหรือว่าเป็นลักษณะของพอดแคสต์เป็นวิดีโอแคสที่ว่าพยายามทำตาขึ้นมาอื บางทีอธิบายธรรมะเนี่ยคุณผยมชมิีถ้าถ้าในเรื่องของสื่อของใช้เสียงมันก็จะมีข้อจํากัดนะแค่ว่าเรื่องของเสียงนะเป็นคําพูดที่เป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแต่บางทีเราต้องอธิบายด้วยการเป็นภาพมีการเคลื่อนไหวก็จะต้องเป็นลักษณะของวิดีโออย่างนี้ก็พยายามทําออกมาก็เรียกว่าพยายามใช้เทคนิคทุกรูปแบบที่จะทําให้คนเข้าถึงธรรมะอพราะพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเลยคะ่ะท่านคะเรียนผานบางที คนบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีใหม่ไม่เหมาะในการที่พระภิกษุจะใช้ในการทำอะไรก็แล้วแต่เพราะดูเหมือนกับว่ามันเปิดกว้างมากสามารถที่จะไปได้ทั่วทั้งโ ล, โลกที่ดีและไม่ดีอย่างนี้ค่ ะ, ะถ้านำเอาผู้ทวจระนะคะมาประกอบกับ ก, บการพิเคราะห์เนี่ยจะพิเคราะห์ได้อย่างไรคะ่ะคุณผู้ชมแต่ละทีนี้บอกว่าถ้า สิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้สิ่งเราที่เราไม่ได้ห้ามไว้นะสิ่งนี้ไม่ควรหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรแก่เธอทั้งหลายนี่คือข้อที่1น่งคะข้อที่สองสิ่งใดที่เราไม่ได้ห้ามไว้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรหมายถึงว่าไม่ได้ห้ามว่าส sí. ิ่งนี้ไม่ควรอย่างเช่นไม่ได้ห้ามกับรถอย่างนี้นะหากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ได้ควรสิ่งนั 2> 2. ้นควรแก่เธอทั้งหลาย วันนี้ข้อที่สองที น, นี้ข้อที่สามคืออะไรพระเจ้าบอกว่าสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุ ญ, ญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควร่ chain, สมมติการขับรถเนี่ยพระเจ้าไม่ได้ว่าอันนี้ควรทํานะแต่หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรทำค่ <Heh. S 1> แะแล้วก็ข้อที่สี่บอกว่าสิ่งใดที่เราไม่ได้อนุ ญ, ญาตไว้ว่าสิ่งนี้ควรไม่ได้อนุญาตไว้ว่านี้ทําได้นะ แต่หากสิ่งนั้นเข้ากับสิ่งที่ควรขัดกับสิ่งที่ไม่ควรสิ่งนั้นก็ควรทําได้ว่างี้สงสารบอกงงมากเลยมีแต่ควรกับไม่ควรอทีนี้พอท่านเปิดําที่ถูกปิดด้วยผู้ทวจนะละโดยสรุปท่านช่วยอธิบายช้าๆในประเด็นที่ตัดสินแล้วค่ะอย่างยงเมื่อสกี่เราพูดถึงอะไรกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเรื่องถึงการใช้เทคโนโลยีใช้เทคโลยีอย่างประสงค์ค่ะค่ะ โดยเฉพาะอินเทอร์เนตนี่แหละที่จะให้พูดแต่ดิฉันตอ้องพูดพูดถึงอินเทอร์เน็ตก่อนสมัยผู้เจ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะไม่มีอินเทอร์เน็ตโอเ ค, คเพราะฉะนั้นผู้เจ้าเนี่ยไม่ได้บอกว่าอินเทอร์เน็ตควรใช้หรืออินเทอร์เน็ตไม่ควรใช่ไหมอ่ะ <c oughs> ทีนี้ถ้าบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าไม่ได้ควรใช้นะหากเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรนะแล้วก็ขัดกับสิ่งที่ควรนะเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรนี่เช่นไหบ้าง นเช่นว่าการดูกาแลเล่นนะอันนี้เข้ากับสิ่งที่ไม่ควรละแล้วก็ขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งที่ควรคืออะไรนเช่นให้อยู่สงบระงับแต่อินเทอร์เน็ตนี่ทําให้ยิ่งฟุ้งเฟ้องั้นอินเทอร์เน็ตไม่ควรใช้สิ่งนั้นไม่ควรค่ะโอเคนะแต่ทีนี้ว่าถ้าบอกว่าสิ่งนี้ไม่ได้ควรทําพุทธเจ้าไม่ได้บอกบัญญัติไว้ว่าอินเทอร์เน็ตนี้ห้ามหรือไม่ห้ามนะแต่ถ้าเพราะว่าเข้ากับสิ่งที่ควรนะเข้ากับสิ่งที่ควรหมายความว่าอะไรอย่างเช่นว่าการศึกษาธรรมะศึกษาธรรมวินัยอันนี้ควรทำพุทธเจ้าบอกนะ แล้วก็ขัดกับสิ่งที่ไม่ควรใครกับสิ่งที่ไม่ควรเช่น ว, ว่าการที่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อันนี้มันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แสดงว่าสิ่งนั้นก็ควรแก่เธอทั้งหลายเพราะนั้นอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติไว้ว่าให้ทําหรือไม่ให้ทำเพราะฉะนั้นถ้าเราทําไม่ดีอันนี้ไม่ควรถ้าเราทําดีอันนี้ควรใช้ได้พูด ง, ง่ายๆอย่างนี้วิเคราะห์ตามที่พระเจ้วจนะบอกไงค่ะอ พูดถึงพุทธวจนะบทนี้รวมทั้งหมดทั้ง 4, สี่สี่ข้อที่ท่านกล่าวมาเนี่ยนะค ะ, mm hmm. ะสำหรับท่านฟังที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเนี่แหละค่ะเป็นวิธีที่จะตรัสของพระพุทธองค์คือเหมือนกับว่าทรงจำแนก mm hmm. อย่างละเอียดละออเลย ใ, ในปิดประเด็นที่จะไปตีความดิฉันพูดอย่างนี้ได้ไหมคะคือเหมือนกับว่าไม่ต้องไปตีความอีกแล้วเพราะว่า ทรงตรัสไว้อย่างละเอียดละ อ, อ่อนประณีตแต่มันจะทําให้คนที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยฟังค่อนข้างยากแต่เมื่อคุ้นเคยแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเอาสิ่งที่เป็นสมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังจะเอามาใช้ภูทวจนะเข้าไปจับใช่านเราก็จะเห็นชัดเจนมากว่าโอ้โหใช่จริงๆเพราะฉะนั้นตง ขอหนังสือไปพิเคราะห์นทนเนี้ยคำของพระศาสดาท่าอาจารย์คึกฤทกับลูกศิษย์ในทาแจกพยายามที่จะให้คุ้นเคยกับคำเนี้ยส่งมาที่2 0 2 2 9 0 0 0 6นะคะเพราะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าถ้าดิฉันจะสรุปนี้นะคะถ้าพระภิกษุในธรรมวินัยของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่ที่ เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วอินเทอร์เน็ตมันสามารถทะลุทะลวงไปยังสิ่งที่เป็นมงคลก็ได้สิ่งที่มไม่ดีก็เยอะ<ช>มากมายด้วย<ช>นะคะแต่ในการนําเอามาใช้สิ่งที่อะไรนะคะไม่ควรเข้าเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรไม่ควรนะคะก็ใช้ไม่ได้ถูกไหม ค, มครับก็ไม่ควรใช้ก็ไม่ควรใช้แต่นี่ถ้าเป็นการนําเสนอเพื่อทําวินัยแล้วเมื่อเสร็จกิจในการนําเสนอหรือว่าตอบรับ ปุจฉาของคนที่ได้ส่งมาเพื่อจะวิสัชนากลับไปแล้วเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่ธุระของสงฆ์ที่พระวินัยบัญญัติห้ามไว้อันนี้ก็ถือว่าทำได้ทำได้ในในความเห็นของอาตมาเองนะค่ะคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าอยู่ถ้าพรุทธเจ้าอยู่นะพะพุทธเจ้าอยู่ก็คงจะห้ามใช้อินเทอร์เน็ตอาตม า, <อ>าว่านะเพราะว่าเพราะว่าในสมัยพุทธการเองเนี่ย ก็อย่างสมมุติอาหารอย่างเงี้ยคก็จริงๆเขาก็สมัยนั้นก็กินได้สองมือสามมืออะไรก็ไม่ว่าอะไรแต่เพิ่งจะมาห้ามว่าเอ้งั้นยกเลิกสมือหนึ่งก็แล้วกันเพราะมันมีปัญหามากก็คือว่าเป็นไปเพื่อความขวนขวายน้อยค่แตเพราะเด็นถ้ามันมีอะไรที่มันจะเสี่ยงต่อการที่จะต้องไปทําไปใช้เอองั้นไม่ต้องทําไม่ต้องใช้อยู่ควนขวายน้อยก็สบายอยู่แล้วอืม ถ, ถ้าในความเห็นของเราเองนะนี่อัตโนมัตินะค่ะแต่พระเจ้าไม่อยู่แล้วก็วกตามนั้น ค่ะก็เหมือนกับว่าพระภิกษุรูปใดที่เข้าถึงในสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องสำรวมอินทรีย์ตัวเองถูกไหมคะใช่เพราะฉะนั้นอย่างที่วัดป่าเราไหนสงฆ์เนี่ยไม่มีใครอนุญาตให้ใช้เลยหลวงพ่อไม่อนุญาตให้ใครใช้เลยนอกจากอาตมาคนเดียวแล้วท่านก็มาคอยคุมแต่ว่าพระใหม่พระเก่าอะไรมาไม่ได้ใช้มีเราคนเดียวอนุญาตก็แล้วแต่ท่านที่จะมอบหมายให้ใครอนะที่ท่านคอยคุมนั้นหมายความอย่างไรครับคะก็หมายว่าค่อยช่วยดูแลกันไป ะมีข้อมูลอะไรต่างๆคื อ, อรักษาจิตช่วยเหลือกในการบรรลุพิฆนพราชันช่วยคุมเนี่ยก็คือว่าเรื่องของจิตเรื่องของการปฏิบัติอย่างนี้ค่ะแต่ว่าบ่อยครั้งมากเลยที่ฉันก็ไม่ทราบว่าอย่างนั้นจะเรียกว่าอย่างไรที่ท่านหลวงพ่อดออรได้มาอยู่ในระหว่างที่ที่ฉันบันทึกเทปกับท่านจันทร์ไทบูรณ์ น, น, นะครับเพราะว่าจะได้ยินเสียงท่านและบางครั้งท่านก็เมตตาทักทายมาวันนี้ท่านอยู่ไหมคะประานโทษค่ะอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ อ๋อค่ะและดิฉันก็อยากจะกลับเรียนท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านนะคะว่าแม้กระทั่งในการบันทึกเทปกับพระอาจารย์ธบูรณ์หรือแม้กระทั่งในการฟังธรรมเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเกิดความศรัทธาเลื่อมใสแล้วดิฉันก็สามารถที่จะยกมือขึ้นแสดงการนมัส ก, การสักการะอิะอนเทอร์เน็ตหรือว่าวิทยุได้เลยนะคะดิฉันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่า ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างคือเหมือนกับเรารู้สึกเราเคารพ อ, อะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะคะดิฉันไม่ได้บอกว่าท่านฟังงทั้งหลายต้องทาตามแต่ว่าสารภาพให้ฟังว่าเบื้องหลังที่ท่านมองไม่เห็นเนี่ยอ่ก็เป็นด้วยการเคารพทำเคารพในอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์่ะคะค่ ะ, ะเราก็มาไกลเลยะคะวันนี้รู้สึกจะพูดแต่ในเรื่องของรายการแต่เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายเนี่ยที่ อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็อาจจะสงสยัยพระทําไมทําอย่างนั้นพระทําไมทําอย่างนี้มันทีนี่ก็เห็นใจพระนะคะท่านคะ <c oughs> เพราะว่าบางทีก็เห็นพระไปอยู่ในที่ที่คนพลุกพล่านสมมุติว่าพระอะท่านอาจจะเข้าถึงเทคโนโลยีแบบนี้แหละอื <c oughs> ท่านอาจจะไปตามห้างสรรพสินค้าที่เขาขายเทคโนโลยีแบบเนี้ยพูดจริงๆนะคะอะพระสงค์เนี่ยควรจะทําแค่ไหนอย่างไรถึงจะเหมาะสมควรที่สุดแล้วก็ เดาที่เป็นคารวาสมันจะช่วยดูแลท่านได้อย่างไรดีที่สุดก็ได้ไหมก็ในความเห็นจะมาก็คิดว่ายุ่งกับเรื่องพวกนี้น้อยก็ดีมากดีที่สุดค่ะอืมหมายความว่าถ้าอยากได้อะไรวานโยงไปซื้ออย่างเงี้ยเหรอคะก็เขาจะต้องมีลักษณะของวัยวัจกรที่มาช่วยงานไดนเลยค่ะไม่ใช่บอกให้โยงไปซื้อแต่ให้โยมประวารนาหรือยังไงคะใช่ ใ, ใช่เป็นลักษณะที่ว่าเอ่อผู้ที่ได้รับหน้าที่ใช่ไหมเราต้องการสิ่งใดก็บอกคนนี้คนนี้เขาก็ไปจัดหามาให้ค่ะ วันนี้ก็จึงเป็นการกล่าวเปียนสนทนาปลีกย่อยเพื่อที่จะให้ดี๋ยวน้อยได้รู้ช่องทางที่จะเข้าถึงธร ร, รมะนอกเหนือจากที่ได้ถามในรายการนี้มากขึ้นในส่วนของพี่ครูบาอาจารย์ซึ่งอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่ได้เผยแผ่แล้วก็ยังมีเว็บไซต์ของทางวัดนาป่าพง์ที่ท่านมากอยู่ด้วยนะคะก็คือวัดนับ w a t n a p p com ก็มีหลายช่องทางให้ท่านเลือกกันลกัน นะคะวันนี้คงจะรบกวนเวลาของท่านไปบุญซึ่งไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์กับใครเขาก็ยังจะต้องจัดรายการเสาร์อาทิตย์ที่วิทยุ ป, ประเทศไทยอยู่ใช่ไหมคะใช่สัปดาห์นี้จัดสงังเกตไหคะท่านวันที่สิบเจ็ดบเจ็ดที่จะถึงนี้แปดโมงเชา้าภาพสังเกตขออนุ ญ, ญาตก่อนจะจบเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบรับในส่วนของคนที่ฟังสังกฤษเป็นชาวต่างชาติมั่งไหมค ะ, ะก็มีถามคำถามอยู่เท่านั้นเองมีถามคำถามมา ะะพีทธรรมะดอทคอมมีอยู่ค่ะเพราะนั้นก็นิมนต์ท่านมาอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์หน้าแล้วกันนะคะในบานวันนี้กราบมวัฒ ก, การขอบพระคุณอสูงนะคะท่านฟังที่พบกันในบางครั้งเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าท่านผู้ฟัทั้งหลายก็คงจะอยากรู้จักผู้ที่มาเมตตาให้ธรรมะกับเรามากขึ้นนอกเหือจากจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามวัดท่านอย่างที่ผ่านๆมาวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะรู้จักมากขึ้นแล้วก็รู้จักจากการที่ได้กลับไปเยียนถามถึง สิ่งที่ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะที่พระอาจารย์ของเราเนี่ยสัมผัสอยู่เท่านั้นก็ยังรวมถึงพระสงฆ์รูปอื่นและสิ่งที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มองเห็นแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยอยู่ด้วยนะคะวันนี้รายการสัมสนีสนทนาทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวก็คงจะอำลาท่านทั้งหลายเพื่อหยุดพักกันในสาราทิตย์ก่อนที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ตั้งแต่ปีหเช่นเดียวกัน ขอให้ธรรมะที่ท่านที่ศึกษากันไปในสัปดาห์นี้นะคะได้นำไปสู่การปฏิบัติและพุทธวจะนะเหล่านั้นจะทำให้ชีวิตของท่านพบความสวัสดีค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพุทธวจนสวัสดีค่ะ